บุก <Book> <75. S 1> ท, ทูเจ็ดสิบห้าสมุดต ท, ทุมทมติเหตุผลบางประการตาสบุเทบะาะบุเทบะทำไมคุณไม่มาคะ รัฐมอารมดิฮาร์ตมอมามูดอากาศแย่มากจาลยียนชุดีอมินดียซุดีอมินเดียดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากอารมูดิวรรัฐกันอาเซทิอัดาริยาอารมดิว ร, ร รัตกันอาเซธิอวดาริยะทำไมเขาถึงไม่มาคะราตมอารมดสรตมอามดิสเขาไม่ได้รับเชิญอิสอารอริสตาปฏบอสอาอาริสต e ิเจบล เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ is armodis radgan araris tapatijebuli is armodis r a g a n araris a p a t i j e b u l i ทำไมคุณไม่มาคะ radom armodihar r a o m armodihar ดิฉันไม่มีเวลาดอารรอรารสดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลาอารมวร์ ร, รอราอรอามดวร์รัดรอารุสทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ ราตอมอาร์เอชบีรตอา ร, อรชบดิฉันยังต้องทำงานค่ะกิดเดฟมาคุสซามชดุช า, ด, า, า, ชาดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะอาร์เชบีราดกันคิดเดมาคุสซามูชาอ ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะอกเวมิดดิารตกวมิด ด, ดิฉันเหนื่อยคะ่ะตักริลลวาิลลวาร ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะมีวดีวรร a ดทลลวารมีววรรัดกลลวรทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะรัดมีรุวรัดอมมีมอุ ว, มม ว, วดึกแล้วค่ะอุกเว วิอานาิเคควิอานาริสดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะมีเวมกซาเวปิรั a กันควิอานยะมีเวมกซาเวปิรัตกันควิอานยะกรุณาไปที่ www. b o o k t o